ธรรมบทแปลเรื่องที่63เรื่องพระมหากัปินาเถียระภาคที่สีเรื่องที่สีของวรที่หปันดิตตวรวานนาพระศัสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปรารกพระมหากัปินาเถระตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าธรรมปีติสุขขังเสติเป็นต้นในเรื่องนั้น มีอนุปปีกรคถาดังต่อไปนี้ได้ยินว่าในอดิตการท่านพระมหากปินะมีอภินิหารได้ทำไวแล้วแทบบาดมูลของพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่าปทุมุตระทองเที่ยวอยู่ในสงสารเกิดเป็นนายช่างหูกู้เป็นหัวหน้าในบ้านช่างหกแห่งหนึ่งในที่ไม่ไกลแต่กรุงพราราณสีครั้งนั้น พระปเจกับพุทธเจ้าประมาณพันองค์อยู่ในหิมะวันตะประเทศแปดเดือนอยู่ในชนบทสีเดือนอันเป็นฤดูฝนคราวหนึ่งพระปเจกับพุทธเจ้าเหล่านั้นพักอยู่ในที่ไม่ไกลแต่กรุงพระสีแล้วส่งพระปเจกับพุทธเจ้าสองรูปไปยังสำนักพระราชาด้วยคำว่าท่านทั้งหลายจงทูลขอหัตกรรมเพื่อประโยชน์แก่การทาเสนาสนะ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 ไม่ส่งอาราธนาพระประเจกับพุทธเจ้าทั้งหลายไว้เลยเสด็จเข้าไปแล้วพระประเจกับพุทธทั้งหลายคิดว่าเราทั้งหลายจะเข้าไปสู่บ้านอื่นหลีกไปแล้วในขณะนั้นภรรยาของนายช่างหูกผู้หัวหน้าไปสู่กรุงพารณสีด้วยกิจบางอย่างเห็นพระประเจกับพุทธเหล่านั้นนมัสการแล้วถามว่าท่านผู้เจริญ รับผู้เป็นเจ้ามาในการไม่ใช่เวลาพระเหตุไรได้สราบความเป็นไปนั้นตั้งแต่ตน้นเป็นหญิงมีศรัทธาถึงพร้อมด้วยปัญญานิมนต์ว่าท่านผู้เจริญขอท่านทั้งหลายจงรับพิษาของดิฉันทั้งหลายในวันพรุ่งนี้พระประเจกับพุทธน้องหญิงพวกเรามีมากหญิงมีประมาณเท่าไรเจ้าข้าพระประเจกับพุทธ มีประมาณพันรูปน้องหญิงหญิงนั้นกล่าวว่าท่านผู้เจริญพวกดิฉันมีประมาณพันคนอยู่ในบ้านนี้คนหนึ่งคนหนึ่งจักถวายภิกษาแด่พระผู้เป็นเจ้ารูปหนึ่งรูปหนึ่งขอท่านทั้งหลายจงรับภิกษาเถิดดิฉันคนเดียวจักให้ทําแม้ที่อยู่แก่ท่านทั้งหลายพระประเจกับพุทธะทั้งหลายรับอาราธนาแล้วนางเข้าไปสู่บ้านเป่าร้องว่า เราเห็นพระประเจกับพุทธะประมาณพันองค์นิมนต์ไว้แล้วท่านทั้งหลายจงจัดแจงที่เป็นที่นั่งแด่พระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายจงจัดอาหารวัต ถ, ถุทั้งหลายมีข้าวต้มและข้าวสวยเป็นต้นแด่พระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายเถิดแล้วให้สร้างปรมรในถ้ำกลางบ้านลาดอาสนะไว้ในวันรุ่งขึ้นจึงให้นิมนต์พระประเจกับพุทธะทั้งหลายนั่ง อังคาดด้วยโภชนะอันประณีตในเวลาเสร็จพัฒกิจจึงพาหญิงทั้งหมดในบ้านนั้นพร้อมกับหญิงเหล่านั้นนมัสการพระประเจกับพุทธะทั้งหลายแล้วรับเอาปฏิญญาเพื่อประโยชน์แก่การอยู่ตลอดไตรามาสแล้วเป่าร้องชาวบ้านอีกว่าแม่และพ่อทั้งหลายบุรุษคนหนึ่งคนหนึ่งแต่ตรกูนึงตรกูนึง จงถือเอาเครื่องมือมีมีดเป็นต้นเข้าไปสู่ป่านำเอาทัพพะสัมภาระมาสร้างเป็นที่อยู่ของพระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายพวกชาวบ้านตั้งอยู่ในถ้อยคำของนางแล้วคนหนึ่งคนหนึ่งทำที่แห่งหนึ่งแห่งหนึ่งแล้วให้สร้างศาลามุงด้วยใบไม้พันหลังพร้อมกับที่พักกลางคืนและกลางวันแล้วอุปถากพระประเจกับพุทธ ผู้เข้าจำพรรษาในบรรณศาลาของตนของตนโดยตั้งใจว่าเราจะอุปถักโดยเคารพเราจะอุปถักโดยเคารพในเวลาออกพรรษาแล้วนางชักชวนว่าท่านทั้งหลายจงตระเตรียมผ้าเพื่อจีวรถวายแด่พระประเจกพุทธทั้งหลายผู้อยู่จำพรรษาในบรรณศาลาของตนของตนเถิดแล้วให้ถวายจีวรมีค่าพันหนึ่ง แด่พระประเจกับพุทธองค์หนึ่งองค์หนึ่งพระประเจกับพุทธทั้งหลายออกพรรษาแล้วทำอนุโมทนาแล้วก็หลีกไปแม้พวกชาวบ้านครั้นทำบุญนี้แล้วจุติจากอัจภาพนั้นแล้วเกิดในภพดาวดึงได้มีนามว่าคณะเทวบุตรแล้วเทวบุตรเหล่านั้นเสวยที่ปะยะสมบัติในภพดาวดึงนั้นในกลาง แห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระนามว่ากัสปะเกิดในเรือนของกุฎุมพีในกรุงพารณสีหัวหน้าช่างโขกได้เป็นบุตรของกุดุมพีผู้ใหญ่ฝ่ายภรรยาของเขาก็ได้เป็นทิดาของกุดุมพีผู้ใหญ่เหมือนกันหญิงเหล่านั้นแม้ทั้งหมดถึงความเจริญวัยแล้วเมื่อจะไปสู่ตระกูลผัวก็ได้ไปสู่เรือนของบุรุษเหล่านั้นนั่นแล ต่อมาวันหนึ่งเขาเป่าร้องการฟังธรรมในวิหารกุดุมพีเหล่านั้นแม้ทั้งหมดได้ยินว่าพระศาสดาจะทรงแสดงธรรมปรึกษากันว่าเราทั้งหลายจะฟังธรรมแล้วได้ไปสู่วิหารกับภรยาในขณะที่ชนเหล่านั้นเข้าไปสู่ท่ามกลางวิหารฝนได้ตั้งเขาแล้วบรรพชิตทั้งหลายมีสามเณรเป็นต้นผู้เป็นกุลุปะกะ หรือเป็นญาติของชนเหล่าใดมีอยู่ชนเหล่านั้นก็เข้าไปสู่บริเวณของบรรพชิตเหล่านั้นแต่กุฎุมพีเหล่านั้นไม่อาจจะเข้าไปในที่ไหนที่ไหนได้เพราะความที่กุลุ ป, ปกะหรือญาติเห็นปานนั้นไม่มีได้ยืนอยู่ท่ามกลางวิหารนั่นเองลำดับนั้นกุฎุมพีผู้เป็นหัวหน้าจึงกล่าวกับกุฎุมพีผู้บริวารเหล่านั้นว่าท่านทั้งหลาย จงดูอาการอันน่าเกลียดของพวกเราธรรมดากุลบุตรทั้งหลายและอายด้วยเหตุมีประมาณเท่านี้สมควรแล้วบริวาร น, นายพวกเราจะทำอย่างไรเล่ากุโุมพีพวกเราถึงอาการอันน่าเกลียดนี้เพราะไม่มีสถานที่ซึ่งมีคนคุ้นเคยกันเราทั้งหมดรวมซับกันสร้างบริเวณเถอะ บริบาลดีละนายคนผู้หัวหน้าได้ให้ทรัพย์พันหนึ่งชนที่เหลือให้คนละ500พวกหญิงให้คนละ250ชนเหล่านั้นรวบรวมทรัพย์นั้นแล้วเริ่มสร้างชื่อบริเวณใหญ่เพื่อประโยชน์เป็นที่ประทรับของพระศาสดาซึ่งมีเรือนยอดพันหลังเป็นบริวาลเมื่อทรัพย์ไม่เพียงพอเพราะความที่นวาก ร, รมเป็นงานใหญ่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 จงมีสีดุดตังดอกอังกาศนี่แหละในที่หม่อมฉันเกิดแล้วเกิดแล้วและขอหม่อมฉันจงมีนามว่าอโนชานั่นแหละพระศาสดาได้ทรงทรรมอนุโมทนาว่าจงสําเร็จอย่างนั้นเถิดชนเหล่านั้นแม้ทั้งหมดดำรงอยู่จนตลอดอายุแล้วจุติจากอัตภาพนั้นแล้วก็เกิดในเทวโลกในพุทธ ป, ประบาท จุติจากเทวโลกแล้วกุดุมีผู้เป็นหัวหน้าเกิดในราชตระกูลในกุกุตตะวดีนครถึงความเจริญวแล้วได้เป็นพระราชาพระนามวา่าพระเจ้ามหากััปยินะชนที่เหลือเกิดในตระกูลอมบาตภรรยาของกุดุมีผู้เป็นหัวหน้าเกิดในราชตระกูลในสาละนคร ในมัทยรัเพระนางได้มีพระสรีระเช่นกับสีดอกอังกาบนั่นเดียวพระญาติขนานพระนามแก่พระนางว่าอโนชานั่นแลพระนางทรงถึงความเจริญวัยแล้วก็ไปสู่พระราชมณีนของพระเจ้ากัปปินะได้เป็นพระเทวีมีพระนามว่าอโนชาแล้วแม่หญิงทั้งหลายที่เหลือเกิดในตระกูลอมตะทั้งหลายถึงความเจริญวัยแล้ว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 ชนเหล่านั้นเสวยสมบัติร่วมกันโดยอนุภาพแห่งบุญที่ทำร่วมกันด้วยประการชนีก็ม้าของพระราชามีอยู่ห้าม้าคือม้าชื่อพระละหนึ่งพระละวานะหนึ่งปุปปะ ห, หนึ่งปุปพระวานะหนึ่งสุปตะหนึ่งบรรดาม้าเหล่านั้นม้าชื่อสุ ป, ปตะพระราชาทรงเองสี่ม้านอกนี้ ได้พระราชทานแก่พวกม้าใช้เพื่อประโยชน์นำข่าวสารมาพระราชาให้ม้าใช้เหล่านั้นบริโภคแต่เช้าตรู่แล้วทรงส่งไปด้วยพระดำรัตว่าพวกท่านไปเทิดเที่ยวไปสองหรือสยอดแล้วทราบว่าพระพุทธพระธรรมหรือพระสงฆ์อุบัติแล้วจงนำข่าวที่ให้เกิดสุขมากแก่เรา ม้าใช้เหล่านั้นออกโดยประตูทั้งสี่เที่ยวไปได้สองถึงโยนไม่ได้ข่าวแล้วก็กลับต่อมาวันหนึ่งราชาทรงม้าชื่อสุ ป, ปะตะอันอมาดพันหนึ่งแวดล้อมเสด็จไปพระราชอุทยานทอดพระเนตรเห็นพวกพ่อค้าประมาณ500ผู้มีร่างอ่อนเพลียกำลังเข้าสู่พระนครแล้วทรงดำริว่าชนเหล่านี้ลำบากในการเดินทางไกล เราจักได้ฟังข่าวดีอย่างหนึ่งจากสำนักแห่งชนเหล่านี้เป็นแน่จึงรับสั่งให้เรียกพ่อค้าเหล่านั้นมาแล้วตรัสถามว่าท่านทั้งหลายมาจากเมืองไหนพ่อค้าพระเจ้าค่าพวกข้าพระองค์มาจากนครชื่อสาวัตถีซึ่งมีอยู่ในที่สุดประมาณ120โยชนดแต่พระนครนี้พระราชา ก็ข่าวอะไรอะไรอุบัติขึ้นในประเทศของพวกท่านมีอยู่หรือพ่อ้าพระเจ้าค่าข่าวอะไรอะไรอย่างอื่นไม่มีแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงอุบัติขึ้นแล้วพระราชามีพระสเรระอันปีติมีวันนะ5ห้าถูกต้องแล้วในทันใดนั้นเองไม่อาจเพื่อจะกำหนดอะไรอะไรได้ทรงยับยั้งอยู่ครู่หนึ่งแล้วตรัสถามว่า พวกท่านกล่าวอะไรพ่อพวกพ่อค้ากราบทูลว่าพระเจ้าค่าพระพุทธเจ้าทรงอุบัติขึ้นแล้วแม้ครั้งที่สองแม้ครั้งที่สพระราชาก็ทรงยับยั้งอยู่เหมือนอย่างนั้นในวาระที่สตรัสถามว่าพวกท่านกล่าวอะไรพ่อเมื่อพ่อค้าเหล่านั้นกราบทูลว่าพระเจ้าค่า พระพุทธเจ้าทรงอุบัติขึ้นแล้วจึงตรัสว่าพ่อทั้งหลายเราให้ทรัพย์แก่พวกท่านแสนหนึ่งแล้วตรัสถามว่าข่าวอะไรอะไรแม้อื่นอีกมีอยู่หรือพ่อพวกพ่อค้ากราบทูลว่ามีอยู่พระเจ้าค่ะพระธรรมอุบัติขึ้นแล้วพระราชาทรงสดับแม้คำนั้นแล้วทรงยับยั้งอยู่ตลอดสามวาระโดยในก่อนนั่นแหละ ในวนรระที่สเมื่อพวกพอก่อค้ากราบทูลบทว่าธรรมโมจึงตรัสว่าแม้ในพระบทนี้เราให้ทรัพย์แก่พวกท่านแสนหนึ่งแล้วตรัสถามว่าข่าวแม้อื่นอีกมีอยู่หรือพ่อพวกพอก่อค้ากราบทูลว่าพระเจ้าค้ามีอยู่พระสังฆรัตนอุบัติขึ้นแล้วพระราชาทรงสดับแม้คำนั้นแล้ว ทรงยับยั้งอยู่ตลอดสามวาระอย่างนั้นเหมือนกันในวาระที่สี่เมื่อพ่อค้ากราบทูลว่าสังโคจึงตรัสว่าแม้ในพระบทนี้เราให้ทรัพย์แก่พวกท่านแสนหนึ่งแล้วทรงแลดูอมบาดพันหนึ่งตรัสถามว่าพ่อทั้งหลายพวกท่านจะทําอย่างไรอมบาดพระเจ้าข่าพระองค์จักทรงทําอย่างไรเล่าพระราชา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 พระราชารับสั่งให้เจ้าพนักงานอารักษ์จารึกอักษรลงในแผ่นทองแล้วตรัสกับพวกพ่อข้าว่าพระเทวีพระนามว่าอโนชาจากพระราชทานทรัพย์สามแสนแก่พวกท่านก็แลพวกท่านพึงพูดอย่างนี้ว่าได้ยินว่าพระราชาทรงสละความเป็นใหญ่ถวายพระองค์แล้วพระองค์จงเสวยสมบัติตามสบายเถิด ก็ท่าพระเทวีจักตรัดถามพวกท่านว่าพระราชาเสด็จไปที่ไหนพวกท่านพึงทูลว่าพระราชาตรัสว่าจักบวชอุทิศพระสัตสดาแล้วก็เสด็จไปแม้อ მ าท์ทั้งหลายก็ส่งข่าวไปแก่พ ร, รยาของตนของตนอย่างนั้นเหมือนกันพระราชาทรงส่งพวกพะคาไปแล้วอานอ მ าท์พันหนึ่งแวดล้อมเสด็จออกไปในขณะนั้นนั่นแล ในวันนั้นแม้พระศาสดาเมื่อทรงตรวจดูสัตว์โลกในการใกล้รุ่งได้ทอดพระเนตรเห็นพระเจ้ามหากับปินะพร้อมทั้งบริวารทรงดำริว่าพระเจ้ามหากับปินะนี้ได้ทรงสดับความที่รัตนสามอุบัติขึ้นแต่สานักของพวกพ่อค้าแล้วทรงบูชาคำของพ่อค้าเหล่านั้นด้วยทรัพย์ส0 0แสนทรงสละราชสมบัติ อันอมาตพันหนึ่งแวดล้อมทรงประสงค์เพื่อจะผนวดอุทิศเราจากเสด็จออกไปในวันพรุ่งนี้เท้าเธอพร้อมทั้งบริวารจากบรรลุพระอรหัดพร้อมด้วยปฏิสัมพิธาทั้งหลายเราจากทำการต้อนรับเท้าเธอทางนี้แล้วในวันรุ่งขึ้นทรงบาทและจีวรด้วยพระองค์เองทีเดียว เสด็จต้อนรับสิ้นทางหนึ่งยยอดดุดพระเจ้าจั ก, กรพรรดิทรงต้อนรับกำนันฉะนั้นประทับนั่งเปล่งพระสมีมีวันนะหกณภายใต้โคนต้นนิโครดริมฝั่งแม่น้ำจันทะภาคานทีฝ่ายพระราชาเสด็จมาถึงแม่น้ำแห่งหนึ่งแล้วตรัสถามว่านี่ชื่อแม่น้ำอะไรอมรั ชื่ออาระวะปะชานทีพระเจ้าค่าพระราชาพอทั้งหลายแม่น้ำนี้ประมาณเท่าไหร่อมาัดโดยลึกข้าวุธหนึ่งโดยกว้างสองข้าวุฒพระเจ้าค่าพระราชาก็ในแม่ น, มน้ำนี้เรือหรือแพมีไหมอมาัดไม่มีพระเจ้าค่าพระราชาตรัสว่าเมื่อเราทั้งหลายมัวหายาน มีเรือเป็นต้นชาติย่อมนำไปสู่ชราชราย่อมนำไปสู่มรณะเราไม่มีความสงสัยออกบวชอุทิศพระรัตนตรยัยโดยอนุภาพแห่งพระรัตนตรัยนั้นน้นํานี้ยาได้เป็นเหมือนน้ําเลยดังนี้แล้วส่งระลึกถึงคุณพระรัตนตรยัยระลึกถึงพุทธานุสติว่าแม้พระเหตุนี้พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น เป็นพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นต้นพร้อมทั้งบริวารเสด็จไปบนหลังน้ำด้วยม้าพันหนึ่งม้าสินทบทั้งหลายก็วิ่งไปตดวิ่งไปบนหลังแผ่นหินปลายกีบก็ไม่เปรียกพระราชาเสด็จข้าแม่น้ำนั้นแล้วเสด็จไปข้างหน้าทอดพระเนตรเห็นแม่น้ำอื่นอีกจึงตรัสถามว่าแม่น้านี้ชื่ออะไรอมั ชื่อนีลวาหนานทีพระเจ้าข้าพระราชาแม่น้ำนี้ประมาณเท่าไรอมาตทั้งส่วนลึกทั้งส่วนกว้างประมาณกึ่งย่์พระเจ้าข้าคำที่เหลือก็เช่นกับคำในก่อนนั่นแลก็พระราชาทอดพระเนตรเห็นแม่น้ำนั้นแล้วทรงระลึกถึงธรรมานุสติว่าพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคตรัสดีแล้วเป็นตน้นเสด็จไปแล้ว ครั้เสด็จข่าแม่น้ำนั้นไปได้แล้วทอดพระเนตรเห็นแม่น้ำอื่นอีกจึงตรัสถามว่าแม่น้ำนี้ชื่ออะไรอมาตแม่น้ำนี้ชื่อว่าจันทภาคานธีพระเจ้าค่าพระราชาแม่น้ำนี้ประมาณเท่าไหร่อมาตทั้งส่วนลึกทั้งส่วนกว้างประมาณยอหนึ่งพระเจ้าค่าคำที่เหลือก็เหมือนกับคำก่อนนั่นแล ส่วนพระราชาท่าพระเนตรเห็นแม่น้ำนี้แล้วทรงระลึกถึงสังขานุสติว่าพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเป็นผู้ปฏิบัติดีแล้วเป็นต้นเสด็จไปแล้วก็เมื่อเสด็จข้ามแม่น้ำนั้นไปได้ทอาพระเนรเห็นพระศมีมีวันณะหกแต่พระสรีระของพระศาสดากิ่งคาคบและใบแห่งต้นนิโครธ ได้เป็นราวกับว่าสําเร็จด้วยทองคําพระราชาทรงําริว่าแสงนี้ไม่ใช่แสงจันทร์ไม่ใช่แสงอาทิตย์ไม่ใช่แสงสว่างแห่งเทวดามารพรมนาคครุษเป็นต้นผู้ใดผู้หนึ่งเราอุทิศพระศาสดามาอยู่จักเป็นผู้อันพระมหาโคดมพระพุทธเจ้าทรงเห็นแล้วโดยแน่แท้ในทันใดนั้นนั่นแล เท้าเธอเสด็จลงจากหลังมา้าทรงน้อมพระศรีระเข้าไปเฝ้าพระศัสดาตามสายพระรัศมีเสด็จเข้าไปภายในแห่งพระพุทธรัศมีราวกับว่าดำลงไปในมโนศิลารถถาวายบังคมพระศัสดาแล้วประทับนั่งหน้วนข้างหนึ่งพร้อมกับอมาตพันหนึ่งพระศัสดาทรงแสดงอนุปปปีคถาแล้วในเวลาจบเทศนา พระราชาพร้อมด้วยปริวานตั้งอยู่ในโสดาปิตผลลำดับนั้นชนเหล่านั้นทั้งหมดลุกขึ้นทูลขอบัณประชาแล้วพระสัสดาทรงใคร่ครวญว่าบาทจีวรสำเร็จแล้วด้วยฤทธิ์ของกุลบุตรเหล่านี้จักมาหรือหนอแหลทรงทราบว่ากุลบุตรเหล่านี้ได้ถวายจีวรพันหนึ่งแด่พระประเจกับพุทธพันองค์ ในการแห่งพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัศบได้ถวายจีวรสองหมื่นแม้แก่ภิกษุสองหมื่นรูปความมาแห่งบาทและจีวร อ, อันสำเร็จแล้วด้วยฤทธิ์ของกุลบตรเหล่านี้ไม่น่าอัศจรรย์เหลืองนี้แล้วทรงเหยียบพระหัตถ์ขวาตรัสว่าท่านทั้งหลายจงเป็นภิกษุมาเถิดท่านทั้งหลายจงประพฤติปรมจันทร์เพื่อทาที่สุดทุกโดยชอบเถิด ท่านใดนั้นนั่นเองกลบตทเหล่านั้นเป็นราวกับพระเทระมีพรรษาต้องร้อยทรงบริขาร8ดหอกขึ้นสู่เวหากลับลงมาถวายบังคมพระศาสดานั่งอยู่แล้วฝ่ายพ่อค้าเหล่านั้นไปสู่ราชสกูลแล้วให้เจ้าหน้าที่กราบทูลข่าวที่พระราชาทรงส่งไปเมื่อพระเทวีรับสั่งว่าจงมาเถิดเข้าไปถวายบังคมแล้ว ได้ยืนอยู่นะส่วนข้างหนึ่งลำดับนั้นพระเทวีตรัสถามพ่อค้าเหล่านั้นว่าพ่อทั้งหลายพวกท่านมาเพราะเหตุอะไรพ่อค้าพระราชาทรงส่งพวกข้าพระองค์มายังสำนักของพระองค์ในว่าขอพระองค์จงพระราชทานทรัพย์สามแสนแก่พวกข้าพระองค์พระเทวีพ่อทั้งหลายพวกท่านพูดมากเกินไป พวกท่านทำอะไรแก่พระราชาพระราชาทรงเลื่อมใสในอะไรของพวกท่านจึงรับสั่งให้พระราชทานทรัพย์มีประมาณเท่านี้พ่อค้าพระเจ้าข่าอะไรอะไรอย่างอื่นพวกข้าพระองค์ไม่ได้ทำแต่พวกข้าพระองค์ได้กราบทูลข่าวแด่พระราชาพระเทวีพ่อทั้งหลายก็พวกท่านสามารถบอกแก่เราบ้างได้ไหม พอ่อขาได้พระเจ้าข้าพระเทวีพ่อทั้งหลายถ้ากระนั้นพวกท่านจงบอกพอ่อขาพระเจ้าข้าพระพุทธเจ้าทรงอุบัติขึ้นแล้วในโลกแม้พระเทวีทรงสดับคำนั้นแล้วมีพระสรีระอันปีติถูกต้องแล้วโดยในก่อนนั่นแหลทรงกําหนดอะไรอะไรไม่ได้ถึงสามครั้งในวรรคที่สี่ ทรงสดับบทว่าพุทโธแล้วจึงตรัสว่าพ่อทั้งหลายในพระบทนี้พระราชาพระราชทานอะไรพ่อขาทรัพย์แสนหนึ่งพระเจ้าค่าพระเทวีพ่อทั้งหลายพระราชาทรงสดับข่าวเห็นปานนี้แล้วพระราชทานทรัพย์แสนหนึ่งแก่ท่านทั้งหลายชื่อว่าทรงกระทํำไม่สมกันเลยแต่เราจะให้แก่พวกท่านสามแสน ในพระของกำนันอันขัดสนของเราข่าวอะไรอีกที่ท่านทั้งหลายกราบทูลแล้วพอค้าเหล่านั้นกราบทูลข่าวสองอย่างแม้อื่นอีกข่าวอย่างนี้และอย่างนี้พระเทวีมีพระสรีระอันปีติถูกต้องแล้วโดยในก่อนนั่นแลทรงกําหนดอะไรอะไรไม่ได้ถึงสมครั้งในครั้งที่สี่ ทรงสดับอย่างนั้นเหมือนกันแล้วรับสั่งให้พระราชทานซับครั้งละส0 0แสนพอค้าเหล่านั้นได้ซับทั้งหมดเป็น12บ0 0 0แสนด้วยประการชนีลำดับนั้นพระเทวีตรัสถามพ่อค้าเหล่านั้นว่าพ่อทั้งหลายพระราชาเสด็จไปไหนพอค้าพระเจ้าค่าพระราชารับสั่งว่าเราจะบวชอุทิศพระสัสดาแล้วก็เสดไป พระเทวีข่าวอะไรที่พระองค์พระราชทานแก่เราพ่อค้าในว่าพระองค์ทรงสละความเป็นใหญ่ทั้งหมดถว า, ายพระองค์หนว่าพระองค์จงเสวยสมบัติตามพระประสงค์เถิดพระเทวีก็พวกอมตะไปไหนพอ่อพ่อค้าแม้ออมตะเหล่านั้นกล่าวว่าเราจะบวชกับพระราชาเหมือนกัน แล้วก็ไปพระเจ้าค่าพระนางรับสั่งให้เรียกภรรยาของอามตาะเหล่านั้นมาแล้วตรัสว่าแม่ทั้งหลายสามีของพวกเจ้ากล่าวว่าเราจะบวชกับพระราชาแล้วก็ไปพวกเจ้าจะทำอย่างไรหญิงพระเจ้าค่าก็ข่าวอะไรที่พวกเขาส่งมาเพื่อพวกหม่อมฉันพระเทวีได้ยินว่าอามตาะเหล่านั้น สละสมบัติของตนของตนแก่พวกเจ้าแล้วได้ยินว่าพวกเจ้าจงบริพกสมบัตินั้นตามชอบใจเถิดหญิงก็พระองค์จักทรงทําอย่างไรเล่าพระเจ้าค่าพระเทวีแม่ทั้งหลายทีแรกพระราชานั้นทรงสดับข่าวแล้วประทับยืนในหนทางเทียวทรงบูชาพระรัตนตรัยด้วยทรัพย์สามแสนทรงสละสมบัติดุดก้อนน้าลาย ตรัสว่าเราจะบวชแล้วเสด็จออกไปส่วนเราได้ฟังข่าวพระรัตนตรัยแล้วบูชาพระรัตนตรัยโดยทรัพย์9 0 0 0ก็แลชื่อว่าสมบัตินี้มิได้นำทุกมาแด่พระราชาเท่านั้นย่อมเป็นเหตุนำทุกมาแม้แก่เราเหมือนกันใครจักคุกเขา่ารับเอาก้อนน้ำลายที่พระราชาทรงบ้วนทิ้งแล้วด้วยปากเล่าเราไม่ต้องการด้วยสมบัติ แม้เราก็จะไปบวชอุทิศพระสัต์ดาหญิงพระเจ้าข้าแม่พวกหม่อมฉันก็จกบวชกับพระองค์เหมือนกันพระเทวีถ้าพวกเจ้าอาจก็ดีละแม่หญิงอาจพระเจ้าข้าพระเทวีตรัสว่าถ้ากระนั้นพวกเจ้าจงมาอย่างนี้แล้วรับสั่งให้เทียมรถพันคันเสด็จขึ้นรถออกไปกับหญิงเหล่านั้น ทอดพระเนตรเห็นแม่น้ำสายที่หนึ่งในระหว่างทางตรัสถามเหมือนพระราชาตรัสถามแล้วเหมือนกันทรงสดับความเป็นไปทั้งหมดแล้วตรัสว่าพวกเจ้าจงตรวจดูทางเสด็จไปของพระราชาเมื่อหญิงเหล่านั้นกล่าบทูลว่าพวกหม่อมฉันไม่เห็นรอยเท้าม้าสินทบ พ, พระเจ้าค่าทรงดาริว่าพระราชาจากทรงทำสัจจกิริยาว่าเราออกบวชอุทิศ พระรัตนตรัยแล้วเสด็จไปถึงเราก็ออกบชอุทิตพระรัตนตรัยด้วยอนุภาพแห่งพระรัตนตรัยเหล่านั้นนั่นแลขอน้านี้ย่าได้เป็นเหมือนน้ำเลยดัยงนี้แล้วทรงระลึกถึงคุณพระรัตนตรยัยทรงส่งรถพันคันไปน้ำได้เป็นเช่นกับหลังแผ่นหินปลายเพลาและเกลียวกงแห่งล้อก็ไม่เปียกเลย พระเทวีเสด็จข้าแม่น้ำทั้งสองแม้นอกนี้ไปได้โดยอุบายนั้นเหมือนกันพระสัสดาทรงทราบความเสด็จมาของพระเทวีได้ทรงธรรมโดยประการที่ภิกษุทั้งหลายผู้นั่งอยู่ในสำนักของพระองค์ไม่ปรากฏได้แม้พระเทวีเสด็จไปอยู่ทอดพระเนตรเห็นพระรัศมีพุ่งออกจากพระสรีรักของพระศาสดาทรงดมรีอย่างนั้นเหมือนกัน แล้วเสด็จเข้าไปเฝ้าพระศาสดาถวายบังคมแล้วประทับยืนอยู่นะส่วนข้างหนึ่งทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระเจ้ามหากัปปินะเสด็จออกผนนวดอุทิศพระองค์เท้าเธอชะรอยจะเสด็จมาในที่นี้แล้วเท้าเธอประทับอยู่ที่ไหนพระองค์ไม่ทรงแสดงแม้แก่พวกมอมฉันบ้างพระศาสดาตรัสว่า ท่านทั้งหลายจงนั่งก่อนจะเห็นพระราชาในที่นี้เองหญิงเหล่านั้นแม้ทุกคนมีจิตยินดีนั่งแล้วโดวยคิดว่าในว่าพวกเรานั่งในที่นี้แหละจะเห็นพวกสามีพระศาสดาตรัสอนุปบทีคถาแล้วในเวลาจบเทศนาพระนางอโนชาเทวีพร้อมทั้งบริวารบรรลุโสดาปฏิบุตแล้วพระมหากรินณะเถระ พร้อมทั้งบริวารสดับพระธรรมเทศนาที่พระองค์ทรงขยายแก่หญิงเหล่านั้นแล้วก็ได้บรรลุพระอรหัสต์พร้อมด้วยปฏิสัมพิทาทั้งหลายในขณะนั้นพระสัสดาทรงแสดงภิกษุเหล่านั้นผู้บรรลุพระอรหัสต์แล้วแก่หญิงเหล่านั้นได้ยินว่าในขณะที่หญิงเหล่านั้นมานั่นเทียวจิตของเขาไม่พึงมีอารมณ์เป็นหนึ่งเพราะเห็นสามีของตนของตน ทรงผ้าย้อมน้ำฝาดมีสีสารลอนเพราะเหตุนั้นหญิงเหล่านั้นจึงไม่พึงอาจเพื่อบรุลมรผลได้เพราะฉะนั้นในเวลาหญิงเหล่านั้นตั้งมั่นอยู่ในศรัทธาอันไม่หวั่นไหวแล้วพระสัสดาจึงทรงสแสดงภิกษุเหล่านั้นผู้บรุพระอรหันต์แล้วแก่หญิงเหล่านั้นแม้หญิงเหล่านั้นเห็นภิกษุเหล่านั้นแล้วนมัสาการด้วยเบญจางค้ระดิแล้ว กล่าวว่าท่านผู้เจริญกิจบรรพชิตของท่านทั้งหลายถึงที่สุดก่อนดังนี้แล้วถวายบังคมพระศาสดายืนอยู่นะส่วนข้างหนึ่งแล้วทูลขอบรรพชาอาจารย์บางพวกกล่าวว่าได้ยินว่าเมื่อหญิงเหล่านั้นกราบทูลอย่างนั้นแล้วพระศัสดาทรงดาริการมาของพระอุบลวร น, นาเถรี แต่พระสัสดาตรัสกับอุบาสิกาเหล่านั้นว่าท่านทั้งหลายพึงไปสู่กรุงสาวัตถีบรรพชาในสำนักแห่งภิกษุณีเถิดอุบาสิกาเหล่านั้นเที่ยวจาริกไปโดยลำดับมีสการะและสัมมาณะอันมหาชนนํามาในระหว่างทางเดินทางไปด้วยเท้าสิ้นขนทาง1น0โงยชนบโยบวชในสำนักแห่งนางภิกษุณีได้บรรลุพระอรหัต์แล้ว แม้พระสัสดาก็ได้ทรงพาภิกษุพันรูปเสด็จไปสู่พระเชตวันทางอากาศนั่นแหลได้ยินว่าในภิกษุเหล่านั้นท่านพระมหากปินะเที่ยวประเคอุทานในที่ทั้งหลายมีที่พักกลางคืนและที่พักกลางวันว่าสุขนาสุขหนาภิกษุทั้งหลายกราบทูลแด่พระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ พระมหากปินะเที่ยวเปล่งอุทานว่าสุขหนอสุขหนอท่านเห็นจะกล่าวปรารบความสุขในราชสมบัติของตนพระศัสดารับสั่งให้เรียกพระมหากปินะนั้นมาแล้วตรส ถ, ถามว่ากปินะได้ยินว่าเธอเปล่งอุทานปรารบสุขในกามสุขในราชสมบัติจริงหรือพระมหากปินะถูลว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระผู้มีพระภาคย่อมทรงทราบการเปล่งหรือไม่เปล่งปลารบกามสุขและราชสุขนั้นของข้าพระองค์พระศาสดาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายบทของเราย่อมเปล่งอุทานปรารบสุขในกามสุขในราชสมบัติหาไม่ได้ก็แต่ว่าความอิ่มเอิบในธรรมย่อมเกิดขึ้นแก่บทของเรา บทของเรานั้นย่อมเปล่งอุทานอย่างนั้นเพราะปรารพอมะตะมหานิพพานดังนี้แล้วเมื่อจะทรงสืบอนุสนทีิแสดงธรรมจึงตรัสพระคาถานีว้ว่าธรรมปีติสุ ข, ข้ังเซติวิปปสันเนนาเจตาาอริยปเวดิเตธรรมเมสดารมติปันฑิโตติบุคคลผู้เ อ, อิบอิ่มในธรรม มีจิตผ่องใสย่อมอยู่เป็นสุขบัณฑิตย่อมยินดีในธรรมที่พระอริยเจ้าประกาศแล้วทุกเมือ่อแก้อัดบรรดาบทเหล่านั้นบทว่าธรรมะปีติความว่าผู้อิ่มเอิบในธรรมอธิบายว่าผู้ดื่มธรรมก็ชื่อพระธรรมนี่อันใครๆไม่อาจเพื่อจะดื่มได้เหมือนดื่มข้าวยาคูปเป็นต้นโดยภาชนะ ฉะนั้นก็บุคคลถูกต้องโลกุตรธรรมก้าอย่างด้วยนามากายทำให้แจ้งโดยความเป็นอารมณ์แทงตลอดอริยสัจมีทุกข์เป็นต้นด้วยกิจมีการบรรลุธรรมด้วยความกำหนดรู้เป็นต้นชื่อว่าย่อมดื่มธรรมคำว่าสุขขังเสตินี้สักว่าเป็นหัวข้อเทศนาอธิบายว่าย่อมอยู่เป็นสุขแม้ด้วยอิริยาบดี บทว่าวิปปะสันน้นะีนนะคือไม่ขุนมัวได้แก่ไม่มีอุปกิเลสบทว่าอริยประเวดิเตความว่าในโพธิปัจจียธรรมอันต่างด้วยสติปัฏฐานเป็นต้นอันพระอริยเจ้าทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นประกาศแล้วสองบทว่าสดารามติความว่าบัณฑิตผู้เ อ, อิบอิมในธรรม เห็นปากนั้นมีใจผ่องใสยอยู่มาตามพร้อมแล้วด้วยความเป็นบัณฑิตย่อมยินดีคือย่อมชื่นชมทุกเมื่อในการจบเทศนาชนเป็นนั้นมากได้เป็นพระอริยบุคคลมีโสดาบันเป็นต้นแล้วดังนี้แหละเรื่องพระมหากปินาเถระ